วังไว้ชันทะมาตันหาอาจจะสอดหรือแทรกสลับความสับสนป่าปนกันระหว่างชันทะกับตันหาเกิดจากการท่ธรรมสองอย่างนี้เกิดแทรกหรือซ้อนหรือสลับกันได้และเป็นปัจจัยแก่การและกันได้เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีตันหาเป็นเจ้าเรือน ไม่ว่าฉันทาจะเกิดขึ้นหรือไม่ตันหาก็ย่อมมียืนพื้นคอยรอโอกาสอยู่ถ้าฉันทะไม่เกิดตันหาก็ทําหน้าที่ของมันเรื่อยไปถ้าฉันทะเกิดขึ้นมาตันหาก็คอยหาช่องที่จะแทรกซ้อนแอบแฝงหรือเข้าแทนที่อันหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ที่เจริญสามารถมีปัญญาและคุณธรรมได้มาก เมื่อมนุษย์พัฒนาสูงขึ้นไปในด้านจิตและปัญญาตัณหาก็พลอยมีอาการละเอียดอ่อนตามไปด้วยและแสดงตัวออกในลักษณะที่ประณีตซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นพอฉันท่าเกิดขึ้นคือมองเห็นว่าอะไรเป็นภาวะดีงามมีคุณค่าแท้จริงผาใจโน้มน้อมเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วตัณหาก็อาจเข้าแทรกซ้อนได้ทันทีโดยการวางท่าทีของการเข้าครอบครอง การยึดถือเป็นของตนการเอาตัวตนเข้าผูกพันการเป็นเจ้าของหรือออกรับแทนการแบ่งแยกหรือการออกว่าเป็นส่วนของเราส่วนของคนอื่นเมื่อตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าได้เพาะเชื้อสำหรับการก่อตัวของความทุกข์และปัญหาต่างๆพร้อมด้วยแล้วตัวอย่างเช่นเมื่อทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยฉันทะ ถ้าผู้ทำนั้นดำรงอยู่ในฉันทะต่อเนื่องเรื่อยไปเขาจะมีความพึงพอใจทราบซึ้งในคุณค่าและภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของสิ่งนั้นที่การทำงานกำลังพาไปให้เข้าถึงคืออนนาวชภาภาวะภาวะปราศจากโทษซึ่งไม่มีความรู้สึกกระทบเข้ามาว่าจะเกิดข้อเสียหายหรือผลร้ายใดๆแก่อะไระไรหรือใครๆจิตใจของเขา จึงน้อมดิ่งดื่มด่ำแน่วแน่ในอุดมสภาวะและในงานที่ทําเขาจึงทางานโดยมีปิติปราโมทและสมาธิแต่ถ้าเมื่อฉันทาได้เริ่มต้นขึ้นให้ลงมือทําการได้แล้วตันหาแทรกสอดเข้ามาตัดตอนและเข้าแทนที่เสียก็เกิดความรู้สึกกําชับเข้ามาว่างานของเราผลงานของเราเราจะได้นั่นได้นี่ ตันหาก็อาจจะช่วยให้ทำงานด้วยความตื่นเต้นเร่าร้อนกระวนกระวายและอาจตามมาด้วยความหวาดระแวงเช่นว่าคนโน้นคนนี้เขาว่าเราเป็นอย่างไรว่างานของเราเป็นอย่างไรกลัวว่างานของเราจะสู้ของคนโน้นคนนี้ไม่ได้เกิดการแข่งขันตลอดไปจนกระทั่งความอิจฉาริษยาความหวงแหนความข้องขัดกระทบใจ ถ้ากลายมาเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ได้ปีติพรามโอดในงานแต่อาจจะได้ความภูมิใจแบบตันหามานะซึ่งเป็นความรู้สึกแบบที่มีคู่ลบฝ่ายตรงข้ามเช่นเขาอาจจะมีความหวังว่าเมื่อทำสาเร็จเขาจะได้รับความยกย่องสรรเสริญคนอื่นทั้งหลายจะพากันแสดงความชื่นชมเป็นการเสริมขยายความมั่นคงของอัตตาการสาเร็จ ถ้าคนทั้งหลายไม่แสดงความชื่นชมยกย่องหรือชื่นชมยกย่องไม่มากไม่นานเท่าที่เขาหวังเขาก็จะผิดหวังเกิดความทุกข์ความคล้องคับใจบางทีแม้แต่เมื่อได้รับความยกย่องชื่นชมสมหวังแล้วแต่เมื่อการเวลาแห่งเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปตามธรรมดาแห่งความไม่คงที่ยั่งยืนถ้าเขาวางใจไม่ถูกก็กลับหวนละห้อยรำพึงเสียดายวันชื่นชั่วโมงชำ้ำ ที่อัตตาเคยได้รับการพเนาพนอครั้งนั้นทำให้เกิดความเศร้าซึมหรือเฉาใจได้อีกยิ่งกว่านั้นบางคนพอประสบความสาเร็จได้รับความยกย่องเชิดชูแล้วเกิดลืมตัวไม่ได้ใช้ปัญญาชำระล้างจิตใจให้เรียบร้อยอัตตาที่พองขยายเบ่งบานออกไปแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิมคือไม่เกิดความยึดมั่นในตัวตนที่ได้รับความยกย่องอย่างนั้น เป็นมาณนอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เลยต้องการความพเน็นอและการยอมรับความยิ่งใหญ่ของตัวตนนั้นจากผู้อื่นอย่างโดดเด่นเกินไปจนถึงกับเกิดมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไม่สมควรเกิดปัญหาและโทษภัยทั้งแก่ตนและผู้อื่นแพ่ขยายต่อไปอีกอันหนึ่งขอย้ำคำที่กล่าวข้างต้นว่าปัญหาอาจเกิดแทรกซ้อนเข้ามาในตอนใดก็ได้ เช่นในกรณีนี้บุคคลผู้นั้นอาจทำงานด้วยแรงชันทะมาด้วยดีโดยตลอดจนกระทั่งสำเร็จแล้วจึงเกิดตัญหาเข้ามาถือครองว่านี่ผลงานของเราก็ได้หรือตัญหาอาจเข้าแทรกสลับกับชันทะมาเรื่อยๆก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ว่าตัญหาจะเกิดที่ไหนในช่วงจังหวะใดก็จะเข้าผูกปมปัญหาเตรียมไว้ในที่นั่น ทำไมรุนแรงพอที่จะลุกลามไปเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทำให้สังคมยุ่งยากเดือดร้อนอย่างน้อยก็เป็นปัญหาก่อทุกข์อยู่ในใจหรือเป็นอิทธิพลแฝงเร้นอยู่ในบุคลิกภาพของตน